เพราะการเสพเมถุนธรรมเป็นปัจจัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงเวสาลีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระสุทินกัลลันทบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระสุธินกัลลันทบุตรเสพเมถุนธรรมกับอดีตพันรยาถาม ในปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติอนุปปณะบัญญัติอยู่หรือตอบในปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติสองพระอนุบัญญัติไม่มีอนุปปณะบัญญัติถามมีสัพพัทบัญญัติปเทศบัญญัติอยู่หรือไม่ตอบมีสัพพัทบัญญัติ ถามมีสาธารณะบัญญัติอสาธารณะบัญญัติอยู่หรือตอบมีสาธารณะบัญญัติถามมีเอกโตบัญญัติอุพโตบัญญัติอยู่หรือตอบมีอุพโตบัญญัติถามบรรดาพระปราติโมขุเทศห้าอุเทศประชิกสิกขาบทที่หนึ่งนี้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 รวมเป็นห้ารูปเป็นผู้นำพระวินัยสืบสืบกันมาในชมพูทวีปอันมีศิริจากนั้นพระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้คือพระมหินทะพระอิติยะพระอุติยะพระสัมภะพระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้ รู้พระวินัยฉลาดในมักได้ประกาศพระวินัยปิดกไว้ในเกาะตามพระปันนิ